มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคพระคัโตลาพันตรายะปัญหาที่ห้าถามว่าคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าควรได้ลาบทั้งสิน้นเหตุไรเมื่อไปบิณฑบาตในบ้านพราหมณ์จริงไม่ได้จังหันเล่า สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปริชาพระผู้เป็นเจ้าว่าสมเด็จพระาศาสดาจารย์เจ้าของเรานี้ประกอบด้วยลาบที่จะได้จัตุปัจจัยสี่คือจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานปัจจัยเพสัชทั้งสี่ประการนี้ว่าชนี้แล้วปุนาจะ มาอีกเล่าพระผู้เป็นเจ้าว่าครั้นเมื่อพระศรีสุขทเข้าไปบินทบาต ท, ที่บ้านปัญจะสาลพราหมนั้นหาได้จังหันบินธบาตไม่เสด็จทรงบาดเปล่าออกมานี่แลถ้าสมเด็จพระศรีสุขททศพ ล, ลยานไม่ขาดลาบสการะควรจะได้จตุปัจสี่แล้วคำที่ว่าสมเด็จพระศรีสุขททศพ ล, ลยาน เสด็จโคจรเข้าไปสู่บ้านปัญจะสาลพรามเพื่อจะบินทบาทไม่ได้จังหันเสด็จกลับบาดเปล่ามามิฉาคำที่ว่านี้ผิดถ้าจะถือเอาคำที่ว่าสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าเข้าไปโคจรบินทบาทในบ้านปัญจะสาลพรามไม่ได้อาหารบินทบาทเสด็จกลับมาด้วยบาดเปล่าจะเชื่อเอาคำนี้คำที่ว่าพระองค์เจ้าไปไหนไม่ขาดลาบ มีปกติได้ซึ่งลาบคำนี้ก็ผิดอายังปัญโโหอันว่าปัญหานี้สุมาหันโตใหญ่ก็ดีทุนนิโพโทจะนำคำอุ ป, ปมาเข้ามาให้รู้เป็นอันยากอุพโตโกโติโกเป็นสองเงื่อนอยู่นิมนโโปรโวิสัชนาให้สิ้นวิมติกังขาของโยมก่อนพระนาคเกษณจจริงถวายพระพรว่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระทศพลยานเจ้าลาพีมิปกติควรจะได้ลาบสาการะจะตุปัจจัยทั้งสีมิได้รู้ขาดและวันเมื่อสมเด็จพระบ ร, รมโล ก, กาณาเสด็จเข้าไปทรงบาทในบ้านปัญจะสาลพรามไม่ได้ซึ่งอาหารบินทบาทสเสด็จทรงบาทเปล่ามานั้นเป็นเหตุด้วยพระยามาณกระทําม พระยามานั้นมีใจริษยาสามารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการว่าถ้าว่ามานยังกระทำผจญกุศลได้กุศลบา ร, รมีที่พระองค์สร้างมาจากคณาบ่ามิได้ในการอันล่วงไปแล้วจะมิยังหาสำเร็จไหมเช่นนั้นหรือพระน่าเกษรจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพร กุศลพระทุศพลสร้างมาจะไม่สำเร็จนั้นหาบ่ไม่ได้มานั้นมาเบียดเบียนด้วยกําลังใจอกุศลกล้าหานพระเจ้ามิเรนมีพระราชองค์การตรัสว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าว่าเชนี้คําติเตียนก็จะมีมาสองประการว่าอากุศลกล้ากว่ า, ากุศลด้วยว่าพระพุทธเจ้าเป็นฝ่ายข้างกุศลมานเป็นฝ่ายข้างอากุศล ประการหนึ่งจติเตียนว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านี้มีกำลังน้อยกว่ามารมารมีกำลังมากกว่าพระพุทธเจ้าคำติเตียนทั้งสองนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขให้แจ้งก่อนปลายไม้หรือจะหนักกว่าโขนไม้คนที่ชั่วช้าสามานหรือจะมีกำลังกว่าคนที่มีคุณธรรมประจําสันดานไม่เห็นบังควรเลย พระนาคกษนจริงถวายพระพรว่ามหาราชดูราณะบพิษผู้ประเสริฐนะหิอากุศลังพละวะตรังอากุศล น, นั้นจะมีกำลังกว่ากุศลหามิได้นะบอพิษพระราชสมภารประการหนึ่งมานจะมีกำลังกว่าสมเด็จพระบรมนายกโลกกนาาหาบ่อมิได้ทังนี้พระองค์จงทรงพระสันนิฐานเข้าพระไทย ด้วยเหตุแห่งอุ ป, ปมามหาราชะขอถวายพระพรเปรียบปาลดุจบุรุษชายคนหนึ่งนำมามทุนจะมะทุปินดีกันจะซึ่งน้ำพึ่งขี้พึ่งข้าวน้ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมควรที่จะเป็นราชบันนาการจากกวัตติโนถวายสมเด็จปูมีบาลบรมจักรพัทเดี๋ลาชครั้นถึงประตูพระราชวัง นายประตูจึงห้ามว่าดูกระตะท่านท่านจงเอาซึ่งเครื่องบรรณาการนี้กลับไปเสียเร็วพลันช้าอยู่ราชทันอาญาจะถึงแก่ตัวท่านส่วนว่าบุรุษนั้นได้สวรราการดังนั้นก็ขมีขมันกลับมาด้วยกลัวพระราชอาญานุโขดังอากมาจะถามมหาบพิษเมื่อนายประตูห้ามเครื่องบรรณาการ ของบรมจากรพัดดีราชได้ชะนี้จะว่านายประตูมีกําลังมากกว่าสมเด็จพระเจ้าบรมจากรพัดดิราชหรือประการใดพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าหาไม่ได้นะผู้เป็นเจ้าประการหนึ่งเล่าโดยว่านายประตูนั้นจะคิดริษยาบรมจากรพัดดีราชจะห้ามปรามไม่ให้เขานำเอาราชบัญญัติเข้าทางประตูนั้น คนทั้งหลายเขาก็จะนำมาซึ่งเครื่องบรรณาการถวายแก่บรมจักรพรรดินั้นทางประตูอื่นนับหมื่นนับแสนมากกว่าของกำนันบรรณาการที่นายประตูนั้นห้ามไว้พระน่าเกษร จ, จริงถวายพระพรว่าฉันใดกด็ดีมหาราชดูรานะบ่อพิษผู้ประเสริฐมานริศยาเข้าดนใจบางตาพรามคฤหบดีชาวบ้านปัญจาและสาระไว มิให้เห็นสมเด็จพระชิเนธนธน์บพิษมิให้ชาวบ้านใส่บาตรนั้นจะร้อนใจอะไรนักหนาะเทวดาเป็นอันมากรู้ว่าสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาพไม่ได้อาหารบินทบาตก็พากันคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยมาถวายทิพยโอชามากกว่ามากนับด้วยแสนสมเด็จพระมหากรุณาจะได้ขาดแคลนจากราบหาไม่ได้ อุปมาเหมือนบรมจั ก, กรพัฒดีราชถึงว่านายประตูจริษยาห้ามบรรณาการเสียก็คงจะมีบรรณาการที่อื่นนำมามากกว่าร้อยเท่าพันทวีนั่นแหลขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนะขาเสนฆ่าแต่พระน า, าเกษตผู้ปรีชาสมเด็จพระมหากรุณานี้ไม่ขาดจากจตุปัจลาบ ด้วยเหตุเป็นอุดมบุรุษถึงมานจะบังไว้ก็คงจะได้จะตุปัจจัยที่เทวดานำมาถวายจะนับไม่ได้ความนี้จะยกไว้โยมนี้ยังสงสัยนักหนาที่ว่ามานกระทำร้ายบางตาคุณทั้งหลายเสียมิให้ใส่บาทสมเด็จพระบรมโลกกนาดคขาดจากอาหารจะมิสมปรารถนาของมานหรืออย่างนี้ได้ชี้ว่า มันได้กระทำร้ายแก่สมเด็จพระาศาสดาจารย์ได้โยมนี้มีน้ำจิตแคลงใจสงสัยนักหนาด้วยสมเด็จพระมาหากรุณาเจ้านี้หากเสียซึ่งกรรมกงแห่งสังสารจักรสิ้นสุดสัมมาสัมพุทธสัจตรัสรู้ซึ่งใหญธรรมด้วยพระองค์ทรงไว้ซึ่งบุญญาสมภารหาผู้ใดที่จะปานปูนบ่มิได้ประกอบไปด้วยพระบา ร, รมีประเสริฐเลิศนะ โลเกอขคปุคคารสเป็นอักระบุคลอันประเสริฐเลิ่โลกลาบอันเป็นที่เกลียดชังณนะอริยังใช่องค์อริยะเจ้าน้อยหนึ่งเท่านี้ไม่ควรที่มารจะกระทำร้ายได้เหตุฉนัยมาจรจึงกระทำอันตรายได้จงแก้สงสัยให้โยมแจ้งก่อนพระนาค เ, เสษ็จถวายพระพรว่ามหาราชะ ดูราณะบ่พิษพระราชสมผานอันตรายมีสี่ประการคืออาทิ์ถันตรายประการหนึ่งอุทิตสันตรายประการหนึ่งอุปะคะตันตรายประการหนึ่งปริโโพคันตรายประการหนึ่งสิริเป็นอันตรายสี่ประการกะตมังอาทิ์ถันตรายอย่างอาทิตถันตรายนั้นเป็นประการใดอาณพิสังขตัง คือข้าวของซึ่งจะให้ยังไม่ได้ตกแต่งไว้และไม่ได้อุทิศมิได้เห็นพระองค์เจ้าหรือปฏิคาหกมาเลยมีผู้มาห้ามเสียว่าอย่าเพิกกระทำก่อนเลยก็ดีห้ามเสียว่าเอาไปให้เขานั้นต้องการอะไรก็ดีและห้ามไว้ด้วยอุบายแยบขายอันใดอันหนึ่งนี่แหละชื่อว่าอาทิถันตรายอุทิศภูชนังปฏิยัตตัง และอุทิศสันตรายนั้นได้แก่โภชนาหารอันเจ้าภาพอุทิศให้เขาจัดแจ้งไว้แล้วมีผู้กระทำร้ายด้วยอุบายอันจะให้เป็นโทษห้ามเสียมิให้นั้นชื่อว่าอุทิศสันตรายอุปะฆตังอ ป, ปติ้าหิตังอุปะฆะตันตรายนั้นได้แก่เจตุปัจจัยเจ้าภาพจัดแจงแล้วยกไปตั้งไว้แล้วแต่ปฏิคาหกยังไม่ได้รับ พูดจะกระทําอันตรายว่ากล่าวด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งให้เขาเกิดซึ่งความสงสัยอันนี้ชื่อว่าอุปขะตันตรายอิทะปริโโพเคและปริโโพคันตรายนั้นได้แก่โภชนาหารที่ปฏิคาหกผู้รับจะบริโภคอยู่แล้วไปว่าให้สอดคลว้วมิให้บริโภคได้และกระทําอันตรายด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่า ริโภคันตรายมหาราชะขอถวายพระพรอันตรายมีอยู่สี่ประการอย่างนี้มานมากระทำอันตรายแก่สมเด็จพระบรมโลกกาณามิให้ได้จังหันบินทบาทนั้นชื่อว่าอาทิถันตรายด้วยพรามค์รฤหะบดีทั้งหลายมิได้ตั้งไว้ซึ่งอาหารมิได้อุทิศมิได้เห็นสมเด็จพระสีสันเพชสเสด็จไป มาจรจึงกระทําอันตรายได้ประการหนึ่งใช่มารจะจันทารกระทําอันตรายแก่พระมหาการุณาองค์เดียวหาบ่ไม่ได้พวกนิครนทั้งหลายไปบินธบาตในปัญจสารคามนั้นไปยืนอยู่ที่แจ้งก็ไม่ได้อาหารอดอาหารเพราะมารกระทําอันตรายเหมือนกันอันหนึง่งขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภาร ใน ม, มนุษยโลกและเทวโลกและมาราโลกและพรหมโลกทั้งปวงนี้อาตมาไม่เห็นสมณะและพรามประชาชนคนใดคนหนึ่งซึ่งจะทมอันตรายสามประการคืออุทิศสันตรายอุปคตะันตรายและปริโพคันตรายแก่สมเด็จพระชินเนธน์บอบพิษได้ถ้าบุคคลผู้ใดกระทำ ศีสะผู้นั้นจะแตกทำลายออกไปได้เจ็ดภาคทีเดียวนะบวพิษพระราชสมภารประการหนึ่งฐานะที่ใครๆจะกั้นไว้ไม่ได้แห่งสมเด็จพระบรมไตรโลกกานานี้เรียกว่าอนาวารณิยฐานมีสี่ประการกะต า, านิอนาวารณิยฐานสี่นั้นคือสิ่งใดเล่าขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารเจ้า ลาโภคือลาบที่เขาอุทิศถวายและตกแต่งไว้แล้วยังไม่ได้รับประเคนใครๆจะทําอันตรายไม่ได้จัดเป็นอนาวารณียฐานอันหนึ่งพยามัปปภาพรสมีที่เปล่งออกข้างละวานั้นบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งมิอาจจะกระทําอันตรายได้จัดเป็นอนาวารณิยฐานอันหนึ่ง ญาณรัตนังส์สพันยุตยานรัตนะของพระพุทธองค์หาบุคคลจะกระทำอันตรายบ่ไม่ได้จัดเป็นอนาวารนิยฐานอันหนึง่งชีวิตังพระชนของสมเด็จพระทศพลยานเจ้านั้นหาบุคคลจะกระทำอันตรายบ่ไม่ได้จัดเป็นอนาวารนิยฐานอันหนึง่งนี่แหละชื่อว่าอนาวารนิยฐานสีประการ อนาวารณิยฐานสี่ประการนี้ย่าว่าแต่มารเลยให้ดีไปกว่ามารอีกก็มิอาจกระทำอันตรายได้เป็นอันขาดมหาราชขอถวายพระพรเมื่อสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์เจ้าสเสด็จเข้าไปโคจรมิถบาทในบ้านปัญจะสารพรามนั้นมารมเร้นซ่อนอยู่จึงบางตาพรามครืหะบดี บ่มิให้เห็นสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าจะเปรียบฉัน้นใดเล่าเหมือนสตรีจะสมัครสามัคคีกับบุรุษก็เร้นซ่อนมิให้ผู้ใดเห็นฉนั้นถ้าว่าสตรีอันจะประพฤตินอกใจสามีไม่กระทําให้ลีลับนี้โทษนี้จะมีหรือว่าหาบ่มิได้นะบ่พิษพระราชสมผานสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสตรีนั้นสามีจับได้ก็ย่อมจะทำโทษเคี่ยนตีจองจำลดอำนาจลงเป็นทาสใช้สอยทีเดียวแหละพระนาคเษน จ, จึงมีเทระวาจาว่าฉันใดก็ดีมานเข้าเรนซ่อนอยู่ที่ลับนี้ด้วยกลัวภัยเหมือนดังนั้นอันหนึ่งเล่าขอถวายพระพรบรพิษพระราชสมภาร มานจะได้กระทาอันตรายสามประการคืออุทิศสันตรายและอุปัคฆตันตรายและปริโโพคันตรายหาไม่ได้มุธาภเยะถ้าว่ามานกระทาอันตรายสามประการนี้เมื่อใดกระบอกศีษะมานจะพึงแตกออกไปได้ร้อยเสียงพันเสียงเที่ยงแทะยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชะ ขอถวายพระพรเปรียบดุจโจรจันทานอันซุ่มซ่อนคอยปล้นคนที่หนทางในพระราชอาณาเขตประเทศบ้านนอกนั้นถ้าพระบรมกสัตราที่ราชผู้เป็นใหญ่จับได้ที่ไหนจะไว้ชีวิตก็จะฆ่าฟันบั่นรอนให้ได้ร้อยท่อนพันชิน้นให้โจรนั้นสิ้นชีวิตสังขารมหาราชขขอถวายพระพรมานี้ก็เหมือนกัน ถ้ากระทําอันตรายของที่เขาอุทิตและเขาตั้งไว้ยังไม่ได้ประเคนและอาหารที่ทรงฉันค้างอยู่มิให้ฉันต่อไปทำเมื่อไหร่ศีรษะมารก็จะแตกออกไปได้ร้อยภาคพันภาคในการเมื่อนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินก็สิ้นวิตมติสงสัยให้สาธุการแก่พระเถระว่าสาธุสาธุพระผู้เป็นเจ้านี้ วิสัชนาแก้ไขดีนักหนาปัญหานี้ลึกซึ้งยิ่งล้นพ้นประมาณยากที่ปุถุชนคนอื่นจะวิสัชนาได้พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งกระจ่างแจ่มใสแล้วสัมปติชามิโยมจะขอรับเอาไว้ในการบัดนี้ภควโตวลาพันตรายะปัญหาเป็นคำรบห้าจบเพียงนี้